สีปัจจุบันนาตีตะวนันว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลจะขายัตนะมูลกนัย2องอนุโลมปุชชจฉาจะขายัตนะของบุคคลใดกําลังเกิดโสตายัตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมพิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา โส mad, ils, ตายตนะของบุ้คลใดเคยดับจะขายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัรนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจ้กคู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่จะขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจ้กคู่เกิดได้กําลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและจะขายตนะก็กําลังเกิด ในวงเล็บปัจจุบันณปุจฉาและอตติตปุจฉาในอุปาทวารท่านจําแนกว้แล้วฉันใดในอุปาทานิโรทวารก็พึงจําแนกทั้งอนุโลมและปัจจนีกะฉันนั้น 5. ปัจจุบันนาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมปุจฉา จักขายาัตนาโมรกาไนสองรอยสามอนุโลมปุจฉาจักขายัตนาของบุคคลใดกำลังเกิดโสตายัตนาของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายัตนาของบุคคลใดจักดับจักขายัตนาของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ และบุคคลผู้ม er. okay. ีจักรคูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จะขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรคูเกิดได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิสัชนา ปชิมพวิการบุคคลผู้กําลังบัติในรูปาวจรภูมิจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่คานายัตนาไม่ใช่จากดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคู่เกิดได้กําลังบัติจะขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและคานายัตนะก็จากดับปฏิรมปุจฉา ฐานายตนะของบุคคลใดจกดับจกขายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติได้บุคคลผู้มีจักรคเกิดไม่ได้กําลังอุบัติฐานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจกดับแต่จะขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรคเกิดได้กําลังอุบัติฐานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจกดับและจกขายตนะก็จะกําลังเกิด อนุโลมปุจฉาจากขายยตนาของบุคคลใดกำลังเกิดรูปายตนาของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดจากดับจากขายยตนะของบุคคลนั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติได้บุคคลผู้มีจกักรกเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ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 มานายัตนะของบุคคลใดจักดับจักขายยัตนะของบุคคลนั้นก็ก <es> ําลังเกิดใช่ไหมพิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจักรคเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมนายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายยัตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรคูเกิดได้กําลังอุบัติมนายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายยัตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา จกขายัตนะของบุคคลใดกำลังเกิดธรรมายัตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมพิจารนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายัตนะของบุคคลใดจกดับจะขายัตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมพิจารนะ uh าบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจะขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจกดับ แต่จักขายยตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจกักรคเกิดได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจัดดับและจักขายยตนะก็กําลังเกิดสองอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดรูปลายตนะและมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จัดดับใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉา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 232อยสามสินุโลมปุจฉารูปายัตนาของบุคคลใดกําลังเกิดมานายัตนะและธรรมายัตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาธรรมายัตนะของบุคคลใดจกดับรูปายัตนะของบุคลาานะลบคล น, น, น, น, น, น, น, น, นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุดติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ ธรรมายาตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่รูปายาตนาไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กําลังอุบัติธรรมายาตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและรูปายาตนะก็กําลังเกิด233อนุโลมปุจฉามนายาตนะของบุคคลใดกําลังเกิดธรรมายาตนาของบุคคล น, นั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉา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 จักขายัตนะมูลกไนสองอนุโลมปุจฉาจักขายัตนะในภูมิใดกําลังเกิดละอนุโลมปุคโลกาฏจักขายัตนะมูลกไนสองอยสาอนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสตายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ ปฏิรมปุจฉาโสตายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากปาัญจโวการภูมิและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิโสตายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จักขายยตนาไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กับกาลังอุบัติ สโสตายตนะของบ well ุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับและจักขายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิเศษชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จักดับ บุคคลผู้มีจักรกูเกิดได้กำลังอุบัติในการมาวจรภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและขานายัตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาขานายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจชะนาบุคคลผู้กำลังจุดติจากการมาวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักรกูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ ในการมาปจรภูมิค า, ญ า, ญานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นแจกดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรขูเกิดได้กําลังบัติในการมาปจรภูมิค า, านายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นแจกดับและจักขายตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็แจกดับใช่ไหมพิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุชารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักหายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจชนะนาบุคคลผู้กําลังจุดติจากปัญจวูกา ร, รภูมิบุคคลผู้มีจกักรูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญะสัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จักหายตนะไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีจกักรคูเกิดได้กำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขาย า, ขชช า, า, ขายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายายตนะของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจารนาใช่ปฏิโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับ จะขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะ ก, กําลังเกิดใช่ไหมวิจารณาบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวกา ร, ระภูมิบุคคลผู้มีแจคูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในการมาวาจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปประภูมิมะนายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับแต่จะขายัตนะไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีจักรครูเกิดได้กำลังอบัติมนายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายัตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดธรรมายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจาชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุดติและบุคคลผู้มีเจขูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีเจขูเกิดได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกดับและจักขายตนะก็กําลังเกิดจักขายตนะมูลกนัยจบคานายตนะมูลกนัย 236อน m m ุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังจุตีจากกามาวจรภูมิ บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัต er ิอยู่ในรูปาวจรภูมิรูปายตนาของบุคคลเหล่านั birth birth ้นในภูม <down> ิน <liberté> well <left> ั้นจักดับแต่คานายตนาไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติรูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและคานายตนาก็กำลังเกิดอนุลมปุชา คานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จัดดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังจุดติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิ แลบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปราวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นแจกดับและคานายตะนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดธรรมายตนะ ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จัดดับใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลในดในภูมิใด จ, จักดับมันคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุดติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจัดดับแต่คานายตนะไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจัดดับและคานายตนะก็กําลังเกิดคานายตนะมูลกนันในจบรูปายตนะมูลกนในสอยสามอนุลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จัดดับใช่ไหมพิจาชนาะ บุคคลผู้กำลังอุบัติในอสรรยศตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโการาภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดได้มนายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิัชนา บุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรู ป, ปภูมิมนายตะนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับแต่รูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิมนายตะนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับและรูปายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมินใดกำลังเกิด ธรรมายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จัดดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาธรรมายาตนาของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปลายาตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุตติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจัดดับแต่รูปลายาตนะไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีรูปเกิดได้กำลังบัตธรรมายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับและรูปายัตนะก็กำลังเกิด238อนุโลมปุจฉามานายัตนะของบุคคลใดในภูมิดายกำลังเกิดธรรมายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉา ธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับมนาายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิตัิชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุดติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่มนาายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและมนาายตนะก็กำลังเกิด ปัจจณีกับบุคคลจะขายัตนะมูลกไน239อยสามสินุโลมปุจฉาจะขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตายัตนาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจกักรคเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่โสตายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโบการะภูมิปัจจิมพวิกาบุคคลในรูปประภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปประภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโสตายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโดมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ จ society, ักขายัตนะของบุคคลนั้นไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดคานายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่คานายัตนะไม่ใช่จักไม่ดับ บุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัจจโบการะภูมิปัดฉิมพะวิกรบุคคลแนรูปประภูมิและบุคคลเหล่าใด จ, จักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังจุดติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและขานายตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุจฉา คานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากดับจะขายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัดจิมภวิกรบุคคลผู้กําลังบัติในรูปปาวจารภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับแต่จะขายยตนะไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโการาภูมิปัดจิมภวิกรบุคคลในรู ป, ปรภูมิ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 บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจักรคเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ ร, รูปายตนะมิใ MM ช่จักไม่ด in ับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัชิมภวิกรบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจะเกิดในรูปภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติจักขายยตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด และรูปายตนะก็ไม่ใช่จักรดับปฏิโรมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดละวิจัชนาะใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กาลังเกิดมนายตนะและธรมายตนะของบุคคล น, นั้นไม่ใช่จักรดับใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุดตีและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติ จักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดละวิจัชนาะใช่จักขายยตนะมูรกาไนจบคานายตนาโมรกาไนสย240 คานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมพิสัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายตนะมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการะภูมิปัจฉิมภวิกาบุคคลในอรู ป, ปภูมิ และบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปประปูมแล้วปรินิพานซึ่งกำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดละวิจัชนะใช่อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมานายตนะละ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 ธรรมายตนะของบุคคลใดละวิจัชนาะใช่คานายตนะมูลกานา伊จบรูปายตนะมูลกานา伊สอยสี่อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมานายตนะละธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาะ บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุตติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติรู ป, awesome. ปายตนะของบุคค ล, ลเห ล, ล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานรูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดละวิจัชนาใช่ 242อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได<ๆ>้กําลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด และธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมนาายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่รูปายตนะมูลกนัยจบปัจจณีก็โอกาสจักขายายตนะมูลกนัยสองจักขายายตนะในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดละ ป จ, จนีกบบุ ค, คลอกาสจะขายยตนะมูรกายสอ4อยนุโลมปุจฉาจะขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตายยตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กำลังจุดตีจากปัญจโวกา ร, รภูมิและบุคคลผู้มีจะคูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิ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 จักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดค า, า, านายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่คานายตนะไม่ใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในการมาวจรภูมิบุคคลผู้กําลังจุติจากปุรุปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตภูมิและอรู ป, ปรภูมิจกขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิรูปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับ จกขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปาวจรภูมิคานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่จะขายัตนะมิใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิบุคคลผู้กํ า, ก า, า ล, คค ล, กลังจุติจากรูปาวจรภูมิ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 บุคคลผู้มีจักรเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญสัตตภูมิจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายัตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโการาภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและ รูปายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักขายายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมพิจัชนา บุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโบการภูมิบุคคลผู้มีจักรคูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปภูมิจะขายะตาะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนายะตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัรยสัตตภูมิจะขายะตาะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด และ ม, ละมนายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโมรมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักขายยตนะของบุคคลนั้นในภูม <subjective kop veces> ิน <atures> ั <realised> ้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจักรคู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติจักขายยานะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานจักขายยานะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโรมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ จักขายัตนาของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่จักขายัตนามูลกนายจบคานายัตนามูลกนายสองอนุโลมปุจฉาคานายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดรูปายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปปาวจรภูมิค า, ญ า, ญานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายาตนะไม่ใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโบกา ร, ระภูมิและบุคคลผู้บัตอยู่ในอรูปประภูมิ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและรูปายตนาก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับคานายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม วิจัชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนายตนะมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญสัตตภูมิ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมานายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิรมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจชนาใช่อนุรมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กาลังเกิด ธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมพิจัด e นาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุดติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ธรรมายตนะก็ไม่ใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิโรมปุจฉา ธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่คานายตนะมูลกนัจบรูปายตนะมูลกนัยสออนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้กำลังจุติจากปัจจวบการภูมิและบุคคลผู้บัตดอยู่แนวรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มานายตนะไม่ใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานและบุคคลผู้กำลังจุติจากกัศยสัญญาตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมานายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโรมปุจฉา มนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานและบุคคลผู้กำลังจุติจารกสัญญาสัตตภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ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 และธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักรดับปฏิโรมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักรดับมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่รูปายตนะมูลกนัยจบ 6. อตีตานาขตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคต อนุโลมบุคคลจะขายยตนามูลกนัยสองอนุโลมปุจฉาจะขายยตนะของบุคคลใดเคยเกิดโสตายยตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัติชนาบุคลบคลผู้กำลังปรินิพานในปัญเจวะการะภูมิปัจฉิมภวิกรบุคคลแนวรู ป, ปรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติแนวรู ป, ปรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังจุติ จักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่โสตายัตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสตายยตนะก็จักดับปฏิรมปุจฉาโสตายัตนะของบุคคลใดจักดับจักขายยตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัตชนะใช่ในมึงเล็บอดีตปุจฉาและอนาคตปุจฉาในนิโรธวาน คำที่ท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลใดก็ดีในภูมิใดก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดีท่านจำแนกไว้แล้วทั้งอนุโลมและปัจจนีกะฉันใดแม้ในอุ ป, ปาทานิโรธวานก็พึงจำแนกฉันนั้นอุ ป, ปาทานิโรธวานจบประวัติวานจบ